ที่นี่พูดถึงเรื่องการรู้เห็นก็อย่างที่ฉันเล่าสู่ อะไรต่ออะไรอย่างอย่างถึงขึ้นภาคมันก็จะกินบ้างไม่กินบ้างอะไร สู่ฌานของตั้งแต่เริ่มต้นเข้าไปเลยที่เค้าทํากัน ต้องการเจริญฤทธิ์พอดําเนินเข้าไปก็อย่างที่อาตมาว่าคิดดูเพียงแค่จบว่าเห็นนิมิตลืมตาขึ้น เพลินภาพนิมิตที่ติดตาทีนี้เล่ากัน นามที่สั่งตามที่บังคับจุดประสงค์เพื่ออะไรความต้องการก็ต้องการอยากจะให้คือต้องการอยากจะเบาหรือต้องการอยากให้เหาะเผินต้องการ 1 ในบรรดาหมู่คณะที่ร่วมคณะกันเขาจะได้ สัมปิทาได้แก่ตามัคคุน 5 รูปเสียงกลิ่นรส 5 คือว่า 5 เหล่านี้จึงเรียกว่าอยู่ในขอบแห่งกามคุณมันทําเพื่อ หรือหมู่คณะทั้งหมดที่มองๆดูแล้วก็อย่างเดียวกันที่นี่ไม่ได้ตั้งใจไว้เพื่อต้องการจะทําลายกามเลยเมื่อ ส่วนรูปประทานก็ได้เพียงแค่ที่ว่านะ แล้วก็สั่งให้พดตัวเข้าแล้วก็ดับเข้ามาเป็นส่วนกายเอากายทดลองขยายให้โตแล้วก็บังคับให้เล็ก เมื่อซึ่งเอากายทดสอบเอาแต่ละอย่างเอาแต่ละอย่างมาทดลองซึ่งเอากายทดสอบท่านเรียกเค้า สิ่งทั้งปวงให้รับรู้จากจิตหมายความว่าเอาจิตไปไม่มีพ้นไปเลยก็ทําเป็นลําดับลําดับไปเพราะฉะนั้นจึงว่ารูปประฌานกับอรูปประฌาน อิทธิวิธีที่ปรากฏขึ้นมาในทางกายเรียกว่าเป็นกําลังของรูปประฌาน หรือเป็นผลไปจากอรูปฌานก็แม้แต่อยู่ในฌานสมาบัตินี่นะซึ่งเป็นฌานฐานโลกีเนี่ยเสื่อมได้เสื่อมได้ง่ายๆไม่มีทางระงับหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากแม้พระมหาเถระเจ้าเป็นอาจารย์ของท่าน เอามาวันนั้นมีนางกุมาริกาเป็นลูกสาวของช่างสูเข้ามาเก็บดอกบัวเข้าร้องเพลงพอไปกําลังอยู่ในอ่ะเลี้ยง มันไปตกข้างข้างหนองแล้วผมไม่กี่ยังแล้วก็ขอเดินร่วมนางอะไรต่อหลายๆอันหลายอย่างเค้าบอกเค้าเป็นคนจนท่าน เหลือจะเล่าอีกฤาษีตนหนึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพลานนสีมาโคจรคึกหาอาจารย์ที่เมืองพลานนสีว่าให้อุปถัมภ์พระผู้เป็นเจ้า เพราะมันมีสีของพระเจ้าพารานสีก็ออกมานอนอยู่ที่เตียงข้างนอกพอมองเห็นๆยังมีความกําหนัดได้ตกห้วยทันทีเลยนั่นก็ดีโศกขนาดนั้นอันนี้เรียกว่า เพราะนั้นโลกุตระฌานกับโลกิยฌานไม่เหมือนกัน มีนิพพานวิลาขะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของผู้ถึงซึ่งโลกุตระธรรมชั้นสูงแต่สําหรับโลกุตระธรรมชั้นต่ําอย่างโสดาปัตติผลบุคคลผู้เข้าถึงปฐมฌานแล้วอันนี้ก็มีขอบเขตด้วย <grammar> ก็เป็นอันว่าเข้าสู่นิพพานได้มีก็ อย่างผู้ที่ทําฌานสมาบัติจบแล้วก็มี มีสติผูกมั่นแล้วก็บริกรรมบริกรรมนั้นอย่างสมมุติการเจริญเรื่อจะเป็นสูตรไหนก็ตามเขาเจริญเจริญแล้ว บางทีพังวันทั้งคืนก็มีบางทีเค้าไม่หรือ 15 วันก็มีเค้าก็ทํากันอยู่ดังนั้นด้วยเมื่อความสถิตในเลือด เขามีสิ่งต่างๆปรากฏเกิดขึ้นมีความเสนียดจันไหล มีความสวัตถุภาพพ้นไปเสียจากข้อจับเห็นเราอยู่จุด จะไปเกิดในพรหมโลกได้ยังไงลองคิดดูอาตมาว่าไม่มีประตูแต่แล้วเค้าบอกว่าดู แต่เออพอฟังก็รู้เรื่องเพราะเป็นโลกุตระชนตั้งแต่ ความมุ่งต้องการจะประหารหรือทําลายหรือปฏิวัติซึ่งจิตมันกระเสือกกระสนหรือเป็นไปโดยธรรมชาติพูดอย่างง่ายอย่ากว่าทําลายธรรมชาติของจิตจิตคิดไปโดยธรรมชาติไป การกระทําสมาธิจิตของเราเราสร้างปฏิบัติมาเพื่อปฏิวัติธรรมชาติของจิตเพราะว่ายึดเป็น เรเรเรเรเรามองเห็นทุกข์กระทั่งว่าเรามีภพเรามีชาติเรามีเกิดเราให้เป็นไปโดยธรรมชาติ เมื่อหากเราทําการปฏิวัติธรรมชาติก็เท่ากันหรือทําลายเมื่อหากเราทําอย่างนี้อยู่เสมอแล้วเมื่อเข้าไป โลกุตตรฌานองค์ที่ 1 เรียกว่าปฐมฌานก็มีทางแล้วที่จะมองเห็น รับห้ามจิตจนจิตโยมจำนวนคือสติที่มันละลึกถึงสิ่งต่างๆหลาย เมื่อมาพูดกันตามในที่เล่าสู่ฟังมณีองค์โลกุตตรราชานก็ ผู้ที่สําเร็จโสดาได้ฌานแล้วดี ปัจเจกะพุทธะเขาก็สร้างบารมีมานแบบปัจเจกะพุทธะได้บารมีตั้ง 20 พรรค์จึงจะสำเร็จเป็นปัจเจกะพุทธะได้ผู้ต้องการจะตรัสรู้เป็นสัพพัญญุตญาณคือสัพพัญญูพุทธเจ้าต้องอาศัยการสร้างบารมีเต็ม 30 พรรค์ ตรัสรู้โดยลําพังไม่ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังท่านแนะนําปฏิปทาแนวปฏิบัติให้ศึกษาได้ความแล้วมาประพฤติปฏิบัติเองก็ต้องอาศัยการศึกษาหรือได้ความสว่างหรือได้ปฏิปทาสายทางมาแล้วจากคนอื่นมีสัมผัสอยู่พุทธะเป็นต้นจึง รับรู้ตามพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ยัง มันก็น่าจะเข้าสู่พรหมโลกแล้วก็ไปพระนิพพานกันเลยจึงกระสมกันนามว่านะจึงกระสมกันนาม อหัตตะมรรคอหัตตะผลจนกระทั่งถึงนิพพานอัน 9 เมื่อจะโสดาบันบุคคลขึ้นมา ก็เป็นอันว่าถึงที่จะเลยอันนี้ถึงจะสมกับคําว่าโลกุตระผู้พ้นไปจากโลกยังมาวกวนอยู่ในโลกทําไมถึงว่าผู้พ้นไปจากโลกมันก็ต้องขัดกับสมมุตินามของพระอริยเจ้าเหล่านี้ว่าเป็นโลกุตระธรรมหรือผู้ซึ่งพูดถึงซึ่งโลกุตระธรรมมันก็ เนี้ยก็ต่อไปแล้วก็ต้องเขียนบทความอย่างนี้ลองๆว่าไปลองดูมัน ดูแล้วมันน่าปวดหัวเหลือแล้วพวกเราก็อย่าๆนี่นะเอวันอ๋ออ่ะถามใหม่น้อง วิจารณ์ฌานวิจารณ์อสัญญะวิจารณ์วิจารณ์เวทก็คล้ายๆว่า เราทำสมาธิอย่างแล้วว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวะพุทธังภะวะนังอภิวาเทมิดูหรือเป็นการทำสมาธิมันก็เปล่าการทำสมาธิอย่างหนึ่งการเจริญชมโชยบารมีของ อ่านเจริญเมตคําที่ว่าเวทเนี่ยหมายความว่ามนต์ฮะบทมนต์ศักดิ์หรือคาถาศักดิ์ก็สมมุติตัวอย่างเค้าสวดไตรใหญ่นะจบนี่ฮะเค้าจบทําไมถึงสวดถึง <ม. S 1> เวทใดไม่เจริญเวทนั้นย่อมขาดความสุขจิตในทํานองนี้ฮะต้องเจริญเวทนั้นเสมอฮะฮะ <ม. S 1> ได้รู้จักหรือได้เข้าใจปฏิปทาแนวปฏิบัตินะตามกําลังความสามารถหรือตามวาสนาบารมีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อผล สาวกก็เหมือนกันนั่นเองทีนี้ส่วนสําหรับพวกพราหมณ์ก็ดีพวกฤาษี เลยรูปกรรมไปลูกนึงเค้าไปจับเอาไว้พอว่าจบอีกสูตรนึงหรือจบ 1 เลยนะฮะเค้าก็ลูกนี้เค้าไปจับลูกหน้าพอได้จบ การมีสติต้องเป็นสมาธิเขาบอกว่าเวทนั่นจะ ไปถวายหรือว่าไปเลี่ยมที่บ้านนะฮะเสร็จแล้วก็ได้เจริญเวทนะฮะทําน้ํามนต์แล้วก็เอาน้ํามนต์ประพรมบ้านประพรมเจ้าของแล้วก็เทน้ําใน ไปอย่างนั้นมีการเจริญเวทมันนี้งงงงงงงงงงงงงง เอ่อจุดประสงค์ก็ต้องการอะไรมองเห็นได้ชัดที่สุดฮะหลวงพ่ออย่างเค้าก่อไฟขึ้นกองใหญ่นะฮะ การทำทั้งหมดจุดประสงค์ก็อยู่ในธรรมเหมือนกันครับไม่ได้หนี ครับนะครับก็ได้นี่อ่ะทัพตํานานที่เค้าเขียนขึ้นนะฮะหลวงพ่อตํานานที่เค้าเขียนขึ้นเค้าบอกว่าเมื่อใครเจริญฌานแบบฤาษีนะฮะเมื่อตายแล้วนะฮะต้องไปสู่พรหมโลกพันรูปพรหมเมื่อถึงอรูปฌานท่านฮะตาย ก็เป็นเพียงคำที่ของเขาพูดขึ้นในทางศาสนายกรูปเกลียดอย่างศาสนาคริสต์เค้าก็บอกว่า ทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นเกิดตายแล้วย่องไปสู่สวรรค์เค้านี้มันจะจริงมะตามตำนานที่เค้าฝ่าเนี่ยก็ลองคิดดูกันแล้วกันพวกเรื่องพวกพรามเค้าบอกอย่างนั้นเราก็ลองคิด พวกความทั้งหลายตายแล้วไม่มีตกนรกต้องไปสู่สรพนรกด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าเป็นเป็นเผ่าของอ่ามหาปัสสปะเทพเจ้าลองดูจะ ตายแล้วย่อมไปสู่พรหมโลกเพราะว่าลามะกับผมผมดูชื่อร้อนมั้ยตายมั้ยตายได้มั้ย ท่านว่านะนั่นแหละท่านไม่ใช่จะไปสู่สวรรค์พรโลกได้ด้วยอํานาจของชาติโคตรตระกูลจะไปสู่พรโลกสวรรค์ได้ด้วยความดีจะไปสู่นรกได้ด้วยความชั่วเมื่อท่านกระทํา มันไม่คิดเลยเนาะว่ามันเพราะงั้นทําทีก็ต้องเสริมส่งเสริสนับสนุนกันมันจะน่าเชื่อได้ แต่ดูแล้วเป็นเถรแห่งดูนิกายในศาสนาเดิมของผมแล้วผมไม่ยินยอมผมไม่พอใจผมออกผลดีกว่าสูงกว่ามีคุณค่าดีกว่าและ เงยไม่ได้ด้วยอ้าวถามได้ศาสนาพุทธมี 10 เสรีครับเมื่อเราไม่เข้าใจถามได้ การไหว้ซะกับการบูชายันมันสูงกว่ากันเป็นอันเดียวกันเตอร์มรรคๆนิสัยมันนิยมบูชาวิญญาณครับอ่ะบูชาวิญญาณวิญญาณของพ่อ 3 เจ้าพวก พวกหนึ่งก็บูชาพระพรอ่าพวกหนึ่งก็บูชาเทวดาพวกหนึ่งถือว่าพระ ครับเหตุผลหลายอย่างผมศึกษามาแล้วในทางพราหมณ์หรือทางที่พระว่ามาพวกฤาษีอะไรเหล่านี้มันมันก็เข้ามาปะปนอยู่ในทางพุทธศาสนาเราเยอะท่าน มาเสือหรือกําจัดหลักสูตรหรือว่าคําสอนของศาสนา โอ้ปกติแล้วมันมันก็เอากันแล้วเดี๋ยวนี้มีๆแต่ที่มันสําคัญอยู่ที่นายมลาการ เอกเสเหวก็กองแบบธรรมดาโดยที่เรียกว่าไม่ได้จับสีสันมันก็เป็นกองธรรมดาตะตุตะตะตามเรื่องมองแล้วมัน อันนี้ก็มันมาคําที่ว่าศิลป์นี่ก็หมายถึงศิลปะแต่ไม่ใช่ศิลปธรรมนี่เมื่อมานั้นนําเอาวัตถุภายนอกมาเชื่อกับศิลปทําเป็นส่วนภายนอกศิลปธรรมคือส่วนภาย คนมีศีลคนมีธรรมมันก็เหมือนเหมือนกับดอกไม้ที่จัดสรรค์ควรคําไหนไม่ควรคําไหนดีคําไหนไม่ดีคําไหนจะ มันไหนจะเป็นไปเพื่อการปลูกมิตรนะผู้มีศีลและธรรมก็ต้อง <c oughs> เนี่ยคือดินอดีตแต่ละแต่ท่านเรียกธรรมดาก็จะ มีกิริยาการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวใดออกมาทางกายหรือวาจาก็ตามเมื่อมีศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจรรยาบรรณ ควรไม่เกิดเกิดร้ายก็มีมันมันหลายอย่างบางทีก็อาจจะซึ่งสิ่งที่มัน ขนาดรถวิมานทางกว้างๆต้องคลอกันนะไม่คลอไม่ได้มันเป็นคนทําไมมันคนถนนอ่ะทําไมมันถึงเป็นถนนคนคนเดียวมันเป็นถนนเนื่องจากของมันเดินตรงเตไปกระตวนมาครวนไปกระเทือนมาเป็น แต่ถ้าไม่เมื่อจัดเป็นระเบียบดีแล้วก็สวยงามเหมือนกันผู้ที่มีศีลธรรมจึงได้ควรจึงได้ ก็พูดเฉพาะมันเป็นเฉพาะนี่ก็นั้นถึงว่ามาเปรียบกับคน ดอกไม้ซึ่งพวกเราจัดมากันคนละที่คนละทางคนละสีคนละสายเมื่อเอามาถึงแล้วพวกเรามาจัดตะบวดให้สีสันมันเข้ากันนี้มันเกี่ยวกับศิลปธรรมซึ่งเราเป็นผู้มีศิลปธรรมนี้การสังเกต คำพูดแต่ละคำที่พูดออกมานี่มันไร้เลาะสน่ห์โสได้ตะเลศน์ คนดึกนี้ที่พวกเรามากันสู่เป็นผู้การนั่งก็เป็นระเบียบนั่งสับเทียดเดือดร้อยวางผ้าวางทางเป็นผู้สงบเป็นผู้เคร่งเป็นผู้ตั้งใจพยามเอาสวดของตน ดำเนินสุงเราปฏิรงให้เป็นไปตามระเบียบนั้นด้วยยังจะต้องไปสอนลูกสอนหลานเอาบ่าววีดีแนะนําเพื่อนฝูงบุคคลที่ควรแนะ ตามแท้จริงไม่มีกฎไม่มีระเบียบเลยก็อาจสวยไม่งามแต่นี้มันเทียบกันได้ชัดเหลือเกินว่าพวกเราผู้มีศีลธรรมซึ่งมี เมื่อเราพยายามดําเนินเราไม่เป็นไปตาม แม้แต่การกราบการไหว้ของพวกเราถ้ากราบพร้อมกันให้ ยังไม่เข้านิพพานก่อนพระองค์คงจะกระเบิดเข้ามาสู่สำนักหรือครูบาอาจารย์ท่านผู้เข้าใจหรือท่านพวกในทาง แต่ทําไม่เถิดพระเจ้าเราควรพากันระเริงต่อหาชนม์คือพวกเรานึกว่าระเบียบอันดีนั้นที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เป็นสิ่งที่ ทางใดที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าอย่าไปนะอย่าเอานะอย่าทําและอย่าพูดนะทางนั้นถ้าปะปนนะมันจะ ถ้าดำเนินตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมมันดีแท้สบายมีความสุขจนไปสู่การขอมิตรไม่ กล่าวแก่ตะมาโลกสังเกตในหลักวัฏฏนิยงก่อนพุทธกาลมีหลายลัทธินิยมด้วยกันการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือน ล้วนไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพิ่นดุจนั้นเนื้อผ้าเสื้อหมอง บางละที่นิยมทานนิยมในแต่นั้นจนผู้ดีทั้งหลายไม่มีความสามารถจะนําตัวของตนเองให้เข้าไปดําเนินในลัทธินิยมเหล่านั้นได้แม้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องทางศาสนาเช่นการให้ทานบริจาคกับเจ้าลัทธินิยมทั้งหลาย ก็ถึงคราวก็ให้บรรดานักบวชหรือผู้ปก เออส่วนอีกบางศาสนาก็มีการทรมานตัวเองแม้ การจะปวดถือว่าเป็นการไล่กิเลสเป็นตัวก่อนบางพวกก็ถือว่าการย่างกิเลสด้วยคอยโอ้โหเผาให้มันดำไม่เปรี้ยงพอถือว่าเป็นผู้สามารถเผากิเลสได้อำนาจ 2 ไฟธรรมดาบางพวกเวลานอนเนี่ยต้องนอน การหลับนอนในที่ดีๆสมมุติว่าแบบนี้หลับนอนด้วยอํานาจกิเลสนําแต่สําหรับองค์สมเด็จพระๆวาง นอกจากพวกเราจะเข้าใจไม่ถึงในระเบียบที่พุทธเจ้าว่าแต่ละอันแต่ ตามหลักของพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าวางระเบียบไว้ว่า ประเดียะเปรียบเทียงทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าหรือบรรดาภาคโบราณอาจารย์นี่พูด แม้แต่โจรก็ก็มีระเบียบมีวินัยของโจรทหารก็มีระเบียบมีวินัยของทหารตำรวจก็เช่นกันแต่ <to> อันตถุสลูบหนึ่งใดที่พวกเราได้สร้างเตือนสําหรับระเบียบ ควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกโดยไม่ปล่อยจนไปโดย ในอุปายที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้องตามอย่าให้มีสติคุมทุกเป็นไปโดยธรรมชาติกระตุ้นไว้ ไม่เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาให้มีการจับยึดตัวเองแล้วก็ นึกโจรอาจจะนําไปสักอะไรเหล่านี้มีสุขวิสัยมันอยู่รอบได้ร้องทั้งหญ้าดีตรงไหนมันก็อาจจะเข้าใจน้ําตรงไหนที่อาจจะเข้าใจไม่จับซึ่ง แต่ของก็คอยดูแลไม่ให้เข้าใกล้ไม่เกิดนั้นโจรผู้ล้าจะมานําพาไปแต่ของก็การสร้างเอาไว้หญ้าตรงไหนดีน้ําตรงไหนดีแต่ของก็คอยป้องปกปิดถึงเวลากําหนดที่จะเอาเข้าออกก็ป้องออกปิดแล้วก็ตีร่มรักษาไม่ให้โจรขโมย มีอริยามรรควิธีอย่างที่พวกเราบรรพชนเช่นกันกับฝา ทางตามในทางที่เกิดวิโธกแต่เท่าคนตกควายที่มีแต่ของตามรักษาดูแลกันย่อมปลอดภัยเราก็พอที่จะ อัจฉริยตาแบบนั้นเรียกว่าจําลองตามบุคคลผู้มีการกําหนดใจมีจุดมีบุคคล ส่วนนี้อาการเคลื่อนไหวเป็นไปตามอํานาจจิตเดิมๆทั้งซึ่งเราพอจะมองเห็นมาก หากจะประกอบอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ก่อนตายเมื่อผู้มีอารมณ์ที่ไม่ดีกอดไว้ หากในเมื่อคุณต้องการก็ต้องกําหนดจิตของตัวเองให้เกาะ ผู้ถึงคุณค่าประโยชน์ถึงคุณค่าประโยชน์ขอให้มีระเบียบกับผู้ไม่มีแล้ว เอาจั่นทางกําหนดจิตของเราให้เป็นไปทางที่ดีแล้วก็พยายามประคองการเคลื่อนไหวการจิตให้เป็นไปในทางที่ดี เพราะฉะนั้นโปรดแลเมื่ออบรมจิตให้ดีแล้วกายและวาจาย่อมดีด้วยสรุปได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราฝึกฝนตนเราดีแล้วในปัจจุบันเราก็มีศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราจะปฏิญาณฐานมนุษย์เป็นไม่ต้องสงสัยหรอกสวรรค์ รับขอการตนสภาพสุขภาพคือว่าท่านกับตัวบัลละอนาคตด้วยนะวันนี้อาตมาจะสมาบัติกันบ้างว่าพระว่าเจ้า <และ S 1> ครูอาจารย์กําหนดหาว่าศิลปะธรรมเป็นยังไงเราจึงจะเป็นระเบียบอันดีงามไม่สกะละลานอะไรมันถึงกันแล้วก็ สงฆ์ใครควรพิจารณาตามเหตุผลอย่างที่อาตมาอธิบายแนะนํามานี้หาก สวยมันก็เยี่ยมไหนก็เยี่ยมไหนเท่ากันมันก็สวยนะเรานี่ก็เหมือนกันนะถ้ามีศิลปะทําเป็นเครื่องกําหนดหาไม่ <t ữ> สวยก็สวยมีงามก็ท่านก็ได้เนาะสวยเนี่ยหมายถึงรูปร่าง หมายความนั้นคนที่มีจิตนะต้องทั้ง <c oughs> <c oughs>